นามตตะจาตะโตวัตุอราหะโตตัมมะตัมปุตตะจานามตตะจาตะวัตุราหะโตัมมาตัมปุตตะจานามตจาตะโตวัตุอราหะโตตัมมะตัมปุะังตัมังตังังนมัจจาิ ทุกฝรังสเคจังธ่านมู่ท่านพูติจริ์พรท่นานสาธุชนทั้งหลายวันนี้้มันวนมาลอดอีกแล้วพวกเราทุกคนยังมีชีวิตให้เป็นประโยชน์อยู่จนถึงวันนี้ ก็อนับาว่าเป็นบุญกุศลก็พอเราทันทั้งหลายมาคราวนี้คงจ ะ, จะแสดงทำเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆเพราะว่าปีนี้ลมมันจะหมดแล้วมันน้อยเสียงมันก็น้อยอให้ประกันเข้าใจ นึกถึงคำพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าขยะวัยังไอความชินไปเสื่อมไปแห่สังขารเป็นธรรมดาเออมันทนเดือธรรมดาไปไหนได้เป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าที่พึ่งก้อน ใ, นใหญ่ขนาดนี้เราเอาไปวางในต่างแจ้งตากแดดนะมันก็คอยเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยนะ ไอ้พึ่งสังก้อนมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปหลายนาทีหลายชั่วโมงก้อนที่พึ่งมันก็หมดนี่ต่ว่ะขยะว ย, ยังไอ้ความสิ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้เกินทุกทุกคน ที่มารวมอยู่ในสลาลงธรรมอันนี้คงพร้อมแล้วทุกคนนะคู่มือของข้อปฏิบัติคงจะเตรียมพร้อมมาทุกคนไมไ่เอาไปบ้านหรอกกายก็เอามานะใจก็ามานะวาจาก็มามาือใครเอาอะไรไปบ้านบ้างะะ นี่พร้อมแล้วคียข้อปฏิบัติพร้อมแล้วมีเหตุมั น, นไม่บกพร่องสักนิดหนึ่งกายก็เอามาจิตใจก็เอามาวาจาก็เอามาหรือจะย่นหน้อยแต่ก็นั่นนี้กายก็เอามากับจิตเท่านีนะ้สองอานเทาน่านี้พอแล้ว หรือใครเอาไปบ้านมัง่งเอามาแล้วนะนี่คือข้อปฏิบัติย่อที่สุดแล้วเอามาแล้วทุกอย่างคือข้อปฏิบัติของเรานั่ยเริ่มแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ขอโอกาสจะหน่อยหนึ่งว่าญาติโยงวันนี้คงจะไปศาสนาจารย์หลายแห่งไหม คงจะเห็นสถานที่ต่างๆสีคพุอาคมนำไปไปจบลงที่ทําแขงแทชเห็นสลาหลังใหญ่ั้ย <Okay. S 1> เออตะลาหลังนั่นอ่ะ <Okay. S 1> อัตมาถ้าไม่สบายแล้วก็ขึ้นไปอาศัยไปพักผ่อน ชาเื่อนเปศลาหลังนั่นเนี่ยแค่ข่ายนึกมันนึกถึงชาวตะวันตกเย็นมันสบายากัางคืนมายุงก็ไม่เคยมีสักนิดหนึ่งเลยอยู่อย่างนั้นเซลาหลังนี้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำความเพียรอยู่ตรงนั้นไม่ง่วงไม่ง่วงนอนอยู่ไกลแค่ค่ายเด็กจีบของเราจะเหมือนเด็กมันมีอะไรเล่นเขามันอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะ มันสบายตลอดคืนเลยเป็นสถานที่ที่สมควรมากที่จะปฏิบัติตรงนั้นใครเป็นทุกข์ทางใจก็ไปถูกอากาศตรงนั้นก็ค่อยสบายสงบรล้รับอันนี้โยมบางบางท่านก็คงจะไม่เคยไปวันนี้ก็ได้ไปแล้วนอกนั้นมาก็เป็นสาขาใหญ่ย่อย ถาขาวัดต้องประพงศ์น่ะตามถนนน่ยมันมีสาขาประพง์หมดทั้งนั้นแหละย่อ ย, ยอ ย, ย่างโยมเจ็บไปเห็นกันนั่นทุกแห่งก็คงเข้าอกเข้าใจกันดังนั้นก็เห็นใจญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันเดินทางมาสถานที่อย่างนี้นสถานที่ที่ไม่เคยไป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 ความสบายนี่มีสองอย่างสบายเพื่อความไม่สบายต่อไปก็มีนะเ อ, อ, เ, อ, อเรื่องพุทธศาสนาของเรานั้นมันเป็นเรื่องของจิตอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านใจอบรมจิตอบรมจิตอันเดียวเท่านั้นแนะเ อ, อให้จิตมันเต็มไปตาหัวโสมกเยี่ยงกายมันเป็นไปตามกันอืมะ แคนั้นท่านจิตไฮโอบโรงจิตจิตนี่เป็นของสําคัญมากพระพุทธองค์ของเราท่านทําไปคำ ม, มาดูไปดูมาแล้วมันอันนี้เองอจิตนี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากพุทธศาสนานี่มันเกี่ยวเนื่อ ง, งกับจิตเรื่องจิตเป็นสิ่งที่สาคัญยกตัวอย่าง ที่อาจจะมาเคยแนะนำคําำสอนชาวต่างประเทศไม่เคยได้ภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งเลยนะภาษาอังกฤษไม่รู้สักนิดเดียวแต่ว่าดวษจิตฝรังเยอะนะไม่ได้ทำนานหรือจะข้าวเยอะไม่รู้มาจากไหนให้ให้ให้ไปคิดเอาให้ไปพีนาเอา อันนี้คือมันเรื่องของจิตจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่ีสุดพระพุทธองค์เราท่านสอนว่านิรุติภาษาแตกฉานในภาษาท่านเรียกว่านิรุติภาษามีคำมันหนึ่งที่ว่าแตกฉานในภาษาเรียกว่านิรุติภาษา แกฐานทุกอย่างในภาษานี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนไม่รู้จักแตกฐานอะไรอย่างไรไหมจะงัดแงให้ดูพอพอได้พิจารณาภาษานี้ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเราทั้งหลายการเย็นมาภาษานี้ต้องกระเียนให้คำพูด คำพูดอ ย, อย่างเป็นภาษาเรียนกันแทบแย่เลยไม่จบเหมือนกันไอความเป็นจริงพระพุทธองค์ของเราทะเลมองดูข้าไปแต่ว่านี่รู้จิตภาษาแตรู้จักภาษาทุกอย่างอะไรที่ทําให้คนเข้าใจอันนั้นเป็นภาษาทั้งนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เป็นหลักซะก่อนภาษาเราจึ่งจะมาก อะไรที่เราจะทำให้ใหรู้จักรู้เรื่องนั้นอันนั้นเป็นภาษาทุกอย่างเราดูตรงนี้ก่อนเราจะรู้จักเช่นว่าอบรงเรื่องพุทธศาสนานี้โดยมากคนเราทางมข้ามกันไปมากทีเดียวไอ้ความเป็นจริงนั้น พุทธศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจจริงๆพุทธศาสนานี้มันให้ความรู้สึกของคนคล้ายกับน้ำชามันร้อนๆต้มน้ำชาร้อนๆระใจไหมเอาใส่แก้วมาเอาคนกินนมือไปจุม่มดูที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนเนีนะ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 เหมือนกันกับมือเราจุ่มน้าร้อนใครจะไม่รู้ว่าร้อนทุกภาษามันต้องรู้ว่าร้อนทั้งนั้นเนี่ยแต่ภาษาคำพูดที่ว่าร้อ น, นมันต่างกันเท่านั้นแหละเออเทนั้นธรรมะนี่ก็มันต่างถ้าใครเข้าถึงธรรมะเข้าไปถึงใจแล้วรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องการสงบสบายนี่อย่างนี้ก็รู้ภาษากันแล้วนะ ยิ่งธรรมะยิ่งรู้อย่างนี้นะก็เป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องสอนมากรู้จักอะไรที่เป็นเหตุให้เราวุ่นวายอะไรที่เป็นเหตุใหเราสงบมันก็รู้รู้ในตัวของมันแล้วทุกอย่างมีสืบรุษจากธรรมะทุกคนเมื่อใครก็สึงธรรมะต้องรู้จักทุกคนรู้จักอย่างนี้เหมือนมือเราก็ไปจุ่มน้าร้อน น้ำมันร้อนจุ่มเข้าไปมันไม่มันไม่รู้สึกว่ามันเย็นหรอกมันร้อนถ้ามือเราจุ่มน้ำเย็นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรอกหรูอว่ามันเย็นนี่มันดรงกันอย่างนี้แต่น้อยมันดรงกันอย่างนี้นี่คืด้านพวกเราสกคนนี้ีะมานั่งอย่างนี้นะออจะพูดว่ามันเป็นคนคนเดียวกันก็ได้คนคนเดียวกันก็ได้ ไม่ใช่มันคนหลายคนคือคนคนเดียวถ้าพูดเป็นสามัญรสนะเดาะ ว, ว่ามีรสนะคล้ายกันทั้งนั้นเขามานั่งอย่างนี้ mm. เหมือนกันทั้งนั้นคล้ายกันเหมือนกันมีความสุขปรากฏเหมือนกันมีความทุกข์ปรากฏเหมือนกันอะไรเหมือนกันทั้งนั้น ดังนั้นพระพุทธองค์ของเราท่านจึงสอนว่าไอ้พวกเราเป็นญาติกันอืมันเป็นญาติกันไม่ห่างกันมันเป็นญาติกันอะไรมันเหมือนๆกันถึงนั้นอฉะนั้นถ้าอบรมจิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วพวกเราน่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องพยาบาทกันก็มันเป็นคนคนเดียวกันแล้ว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 ต้องการความสงบนี่ต้องการอย่างอื่นอะไรที่มันทำใจเราไมา่สงบอันนั้นเนี่ยมันพาเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนีนน้หลังนั้นเมื่อเรารู้จากจิตรู้จากใจของเ ร, เราดูจากธรรมะดูจากอารมณ์เป็นคนรู้จากตนถ้ารู้จากตนแล้วมันก็รู้กันหมดทุกๆคนเพราะใครๆก็เป็นตนกันแล้ว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 อันนี้คือธรรมะอย่าส่งไปข้างนอกให้ส่งธรรมาข้างในฟังธรรมส่งข้ามาข้างในอย่าส่งออกไปข้างนอกทุกอย่างต้องรวมธรรมาให้รู้จักเห็นคนทําชัว่วตรงไหนก็น้องเข้ามาดูคนทําดีตรงไหนก็น้องเข้ามาดูทุกอย่างให้มันเห็นแต่พอกิจ ให้ปัญญามันเกิดในจิตให้จิตเป็นผู้มีปัญญานั่นแต่จิตที่อบรมดีแล้วกายก็เท่ากระบาเราได้อบรมแล้วอยายตนะทั้งหลายก็ได้อบรมแล้วเมื่อจิตเราเป็นไปแล้วอันนี้เป็นของไกลๆดังนั้นขออยากรวมทั้งหลายตรงเข้าใจไม่มากเข้าใจในเรื่องตัวของเราเท่านี้แหละ ไม่จะอื่นไกลฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะพานําสมาธิอาจารยจะเป็นผู้สิบพูดพูดเรื่องสมาธิไปญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งทับเทียบ ก, ก็ได้นะดังนั้นจึงขอความสงบทุกๆคนให้สงบนะนะให้สงบอืนะคนจะนั่งก็นั่งให้สงบคนจะยืนยืนก็ขอความสงบ คนที่จะนอนอยู่ขอขความสงบิริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่มันทำความสงบได้ทุกอย่างนะเอาตั้งใจนั่งขัดสมาธิขึ้นขาขวาเท้ขาขาซ้ายขึ้นทำอย่างนี้ทาอย่างนี้เออเอาให้มันตรงตรงรูพระพุทธรูป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 เคยรู้จักไหมสิ่งที่ไม่พอดีนั่นอนะ่ะมันไม่ดีสิ่งที่มันดีนั่นคือมันพอดีเห็นไหมทุกอย่างดูอะไรกันไหมเราเคยทามาไหมดูไม่ดูอื่นไกลหรอกดูแกงของเราทานกันนะ่ะนะทำเค็มไปนะอร่อยไหมทามันชีวิตไปอร่อยไหมนะ่ะเท่านั้นแหลอนะอการเรา แม่ครัวทำแกงก็หาสิ่งที่มันพอดีทุกอย่างหาสิ่งพอดีทั้งนั้นแหละวันนี้สิงทํากายให้มันพอดีทําใจให้มันพอดีเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายต่างกายเห็นตรงเห็นตรงเราทําเสียรู้ว่ะจิตอยู่ตรงไหนดูที่มีหไหม กายอยู่ตรงไหนอะไรมันเป็นกายอะไรเป็นจิตเห็นกายแล้วไหมกายจิตดูใครที่เขานำนานานเรานั่งรถมาน่เห็ น, นไหมรู้กันหรือเปล่าหรือ ม, มาจตัวเราห่ะอใครนำนาเราขึ้นรถมาถึงวัดต้องปรพรหมรู้ไหมหรือ ม, มาเอง นั่นไงใช่หมนั่นแ่ะเอาอยีา่สัตว์ดีกว่านะเอาที่ว่าไอ้ใครที่เรียกว่าจิต <c oughs> ถ้าถามประจิตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะจิตนี้มันก็ไม่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจิตนี้คืออะไรตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไระากายก็คือก้อนนี้เราพอเห็นได้ จิตนี้ก็เดียกวอะไรเอางี้ซะดีกว่าเนาะเอาความรู้สึกเอาผู้รู้สึกผู้รู้สึกสมมติเนี่ยมันเป็นจิตะนะผู้รู้สึกรู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกดีชั่วรู้สึกร้อนเย็นต่างๆเอาเอาคนนี้จ้ะนะอ่าต่อไปนค่อยๆรู้จักกันเนาะมันคือความรู้สึก รู้กายปล่อยกายให้เป็นสภาวะอันหนึ่งอย่างนี้อันนี้จิตคือความรู้สึกผู้รับรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าผู้รู้สิกเรียกว่าจิตจิตอันนี้แหละที่เราต้องการที่พระพุทธเจ้าของเราให้ต้องการให้อุปโรม จิตนี้มันรู้มันการแต่ว่ามันรู้ไม่ถึงมันมันรู้ไม่ถึงฉะนั้นันจริงๆในภาวนาพุทโธพุธโธนะเอาพระพุท ธ, ธเจ้าก็ามาอีกให้มันอบรมอันนี้ให้มันรู้แจ้งอันนี้เกิดปัญญาตัวรู้ตัวนี้สําคัญหนายตัวรู้ตัวนี้เหล่ยมาอบรมรู้ตัวนี้คือรู้จิต มาอบรมจิตของเราติสูทังหลายท่านทางหลายจงตามดูจิตของตนใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะก้นจะห่วงของมนันเอาใครตามดูใครไหมใครเข้าใจอย่างนั้นจิต ม, มีแล้วกายมีแล้วนั่งกำหนดลมเห็นลมไหม เห็นลมไหมปรากฏดลมไหมลมที่ในจมูกเรานี่เห็นไหมรู้สึกดูลมลมมันเข้าได้ลมมันออกดูท่านได้รูลมเรียกว่าอนาปานสติคือทมสติตามลมนี้ลมเข้าแล้วก็ลมออก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 มันสะดวกแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปบีบมันเลยอมันยาวห้มันยาวไปก่อนมันยาวค่ไปมันยาวไปก่อนมันสั้นให้มันสั้นไปก่อนอย่าไปบังคับมันเลยเราทําตามเรื่องของมันทํานัดดูเรื่องของมันเอปล่อยตามรวมรู้ถนันมันจะออกยาวเข้าสั้นอะไรก็สั่งมันเถอะแต่เรามีสติค่อยๆตามให้มันรู้จักเนี่ย เมื่อเราทำเช่นนี้มันจะวางข้างนอกมันจะดูลมอย่างเดียวลมนี่ไม่ต้องสงสัยอย่างอื่นนยต้องทาอย่างนี้ตลอดไปดูลมนี่แหละก่อ น, นดูลมนีอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นไม่ต้องอยากรู้อันนี้ อันนั้นมันเป็นความอยากไม่ใช่ทำโดยการปล่อยวางอันนั้นมันเป็นกิเลสอันนั้นมันเป็นตัญหาอยากรู้เดียวนี้อยากเห็นเดียวนี้อยากอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นความอยากรมนี่ ม, มันกา ร, กรค่อยๆดูมันออกแล้วมันเข้าจนเราเห็นลมรู้จากว่าลมมันจ ะ, ะค่อยๆแยก ถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านรำคาญมันค่อยๆละเอียดของมันไปเรื่อยมันยาวก็รู้สึกว่ามันยาวมันสั้นก็ให้รู้ว่ามันสัน้นอย่าไปบังคับมันดูมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ เมื่อกิตมันสงบแล้วไปค่อยสงบแล้วนะกิตใจไม่อยากจะตามลมมันอยากไม่อยากจะตามลมไม่อยากจะนึกว่าพุโทโธพุโทโธไม่อยากจะนึกนี่เพราะอะไรอารมณ์ที่เราเรียกว่าพุโทโธพุโทโธนี้เมื่อจิตเราละเอียดแล้วเนี่ยมันอยาก คนทํางานละเอียดแล้วอยาให้ทํางานหยาบมันไม่อยากจะทําอย่างดูลมเข้าลมออกอย่างนี้มันก็เป็นของหยากไม่ต้องตามลมมิฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเอาสติคือความรู้สึกวางไว้ที่ตมูกนี่รู้ว่าลมมันเข้าออกเท่านั้นเนี่ยนี่ทํำมาเรียนนั่งนั่งอยู่แหงเยอะเท่านั้น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 รู้จิตก็เห็นสติมันกลมเปียวเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องไปสงสัย เ, เมื่ออะไรเกิดขึ้นมาอีกเรานั่งอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงบอกว่ายุดอันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราทุกอย่างที่จะมันปรากฏขึ้นมาในดวงอันนี้มันจะ มันจะใายแสงยังไงก็ช่างมันเถอะก็ดูแลก็อยู่ไม่ต้องยิ่งไปตามมันทำความสงบอยู่ไปจนกระทั่งมีลมอยู่อย่างนี้ดูต่อไปจมานมาันอดที่สุดจนว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เป็นนะลมไม่มีบางคนเห็นลมไม่มีก็นึกจะตายอา่ะออกถอยกลับนี่เนี่ย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 มุขูตากายมุขูตามันควรแก่การงานมันจะเป็นเครื่องสำคัญกันไปเองของมันอย่างนี้เดียกว่าความสงบความสงบดูมันไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละอันนี้เดียกว่าการทำจิตให้สงบเอาเอาตั้งใจและทำทำหลม พอดีแล้ววันนี้ฝนตกพอดีแลละเย็นทําสมาธิเลยเออถ้าก่ อ, อนจนะ้ะเออพักก่อนตามปัสยาไยาศัยคองคงจนง่วงแล้วมั้งนอกหึหคงจะง่วงแล้วมังงงวงวม้งมันคันเนื้อกันตัวขึ้น น, น่ะนี่เนาะเอ อาพักก่อนตามวัชย์ยาใสก็ได้ออืคือถ้่าที่ผมอ่านแล้วผมจําได้แถวๆก็มีคนหนึ่งผมซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งดับว่ายากจริงิงแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอ่าจนจบชั้นปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคน ได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหาเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนึให้เรียนหนังสือทกอกกุกคนเน่ยคงลำบากพอสมควรเด็กคนนี้เรียนไปแล้วก็ศึกษาธรรมะและก็มีความทราบซึ่งในธรรมะอย่างยินะ่เมื่อจบได้ปริญญาแนละ้วปรากฏว่าคือเด็กคนเนี้ยพ่อแม่ หรือทุกคนเนี่ยหวังเหลือเกินว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหลักกับครอบครัวทำงานทำการหาเงินหารายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่บ้างคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้างสักเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความทราบซึ่งในธรรมะอย่างยิ่งจนถึงกับขอลาพ่อแม่ไม่ทางาน พอมหมดนะพ่อแม่เนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็พยายามคัดค้างแต่ลูกบอกว่าศรัท ธ, ธาในพระศาสนาเหลือเกินนะอยาคัดข้างผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้หววซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังรูเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาที่เรื่องนี้ผมกินใจมาก คือผมถืออย่างนงี้ครับหลวงพอ่อผมถือว่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะผมจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาอะไรนะผมถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนาศาสนาส่วนหนึ่งคือชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจทำมาหากินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัวมีความผูกพันรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนักเนี่ยนะฮอาจจะคนอื่นเขียนเรื่ออะไรเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพระผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคารว่าผมประกอบอาชีพหรือยังเมียผมเลี้ยงลูกผมทําความมา ให้ความสุขกับคนบางคนให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วนและก็ทําบุญบ้างบางส่วนคือมีส่วนซึ่งผมช่วยสนุบบำ ร, รงพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมแล้วผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถานาพระก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจ ะ, ะมาให้คําแนะนําชักจูงประชาชนให้ความสว่าง เพื่อให้เกิดความสงบใจ<ม>เพื่อเป็นแนวทางให้โลก<ม>เพราะฉะนั้นผมจึงนั่นความเห็นส่วนตัวผมถือว่าคนคนนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่นอ้อง<ม>ในการบวชเดี๋ยวนี้จะทำเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดสินอย่างงงงของผมเนี่ยมผมถือว่าบาป<ม>บาปมากๆทีเดียว เพราะว่าเป็นการทำบาปกับพ่อแม่นะเป็นการทำบาปกับบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยช่วยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นลูกผมเนี่ยถูกรึผิดยังไงถูกของคุณหมอเัมือนกันผมเห็นมีแต่ว่าทเป็นนี่นะอัตมาจะถามคืนสักข้อหนึ่งว่อาทองหนักหนึ่งกิโลตะกัวหนักหนึ่งกิโลถ้าหากว่าเอามาให้คุณหมอคุณจะเอาอะไร ก็คงเอาทองเอาทอง <Jasmine. S 1> นั่นแหละ <ฮา S 1> มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้นมันอันนั้นมันมีราคากวออ่า น, นั้นอย่างตะปูกับทองคําแล้วเขาก็จงเอาทองคําอย่างคุณหมอผมจะเอาอท <S <s <uck> งองคําทำไมไม่เอาทองคําทําไมแม่เอาตะปูก็มันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นก็เหมือนกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นอ่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น อย่างนั้นเราอยา่าไปคิดเช่นนั้นสิคิดสักก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกๆๆวิจารณ์เอาเนี่ยกลัวนะคุณหมอเี็กกลัวไม่มีใครอุปสราารคกันไม่มีใครสร้างโลกไปนะเขามาจ้างคนไปเล่นดนตรีคุณหมอไม่ต้องเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีไปเอาไปเล่นยังยังเล่นดนตรีไม่เต็มอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างอนะคงจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ไม่บวชนอกคนไม่ได้ ของเรานี่มันเป็นเพรมันอยู่อย่างนี้เราจะากเห็นหวนวัตถโคนใช่ไม่ได้ไม่หวนแจกคนได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรมาผลเราจริงผลใครมีปัญญาแค่ไหนต่อแค่นั้นไม่ได้บีบขั้นอย่างนั้นเลยอืาอาจจะมาเคยเคยไปเหมือนกันนะบอกว่าฆ่าสัตว์มันบาปนะเนี่ยมีคนมาต่อมาน้องพ่อเอาพริกในชันตะวันไดไม่ได้ใครจะเอาพรกมาชั้นตกวันได้อย่างนะ มาจีตามจะมาโปรยโรขโพธิในาั้นทุกวันได้ไหมไม่เอาอยู่เลยแล้วใครจะมีใครจะมีเวลานําโพธิใส่ผ้าชั้นทุกวันทุกวันคือเรื่องเรานี่พูดไปเฉยๆแต่เรื่องโรคมันเป็นอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดชินเป็นคนไร้หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาในเรื่องเอาในโลกคนนี้สู้ทางหลายจงมารู้โรคนี้อันนาตการดดุดรานสารสอันพวกคนเขาทางหลายหมกอยู่แต่กระรูหาของอยู่ไหม ความยืนยันของพระพุทธเจ้าของเราอย่างนั้น่นนะไอเจตนาที่เราออกบวชชิ้นนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเพื่อว่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียให้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลยนะนึกว่าแหมตระกูลเรายัางหมกอยู่ในจงอยู่ในโคลเดือกเกินถ้าเราไม่ออกตระกูลหนึ่งมาจา ก, กิีดข้างมันจะไม่ได้ใช่ละมั้งเนี่ยอุตซาห์ออกไปนี่เพื่อตระกูลนี่ทำตระกูลไปดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่า เสียฝนแล้วบาปอย่างคุณหมอเนะ่ยแต่คิดตค่นี้นี่ว่าเป็นอย่างนี้อาตจจมาจึงถามโยมว่าตะกัวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคําหนักกิโลหนึ่งถ้าแบงกันเขาจะเอาอะไรก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดจินใจเ็าออกบวชตลอดชีวิตของเขาเช็นนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคาถวกมากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกัวไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอตองการทองคากิโลหนึ่ง ถ้ากลัวกิโลหนึ่งไม่เอาทําไมเพราะหวัดราคามันน้อยหรือสิงหึงมันตราคามันน้อยไม่มีราคาตีก็จึงตัดทินเอาทองคําเป็นเช่นนี้เป็นต้นถ้าเราพิจารณาแยบคายแด่เป็น ไ, ไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้รูกจิบหายให้เมียจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นในใจย่างไงนะใช่อย่างไงอันนี้คนทําได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาซึ่ง ซึ้มากที่สุดจนกว่ายัางอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี่น่ะจนมันกลับตดรรัดกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทําได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคุณหม อ, อย่างมีก็ยังทําได้อย่างนั้นอืแต่เมื่อเขาทาอย่างนั้นด้วยจิตนาดีของเขาเนี่ยก็ถูกด้วยเนี่ยก็ถูกด้วยก็เพราะเขาเห็นดักหลักในหลักธรรมะจริงจริงในเช่นั้นถ้าเพื่มีประพาของเราทั้งหลายนั่นน่ะอืม ก็บาปเป็นหมดเท่นั้นเองแล้วพระทธเจ้าเราก็บาปเป็นหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็าตามมันแต่ว่าเราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่สว่างเมื่ออยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะติดใจบวชเช่นว่ายางรูปพันเอกประโมททุกวัน เรียนจบมาจากนอกแล้วก็ได้มาบวชอาจารย์มาบวชโ ด, ดยตัดสินจิตสินใจไม่สุดท้งแดกพอไปรู้ว่าอุ๊ยบากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปวัดบ่อยๆมาบ่อยๆฟังทําบ่อยๆรู้วิบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้แล้วยอยากไปกลับไปแป๊บๆผมไม่อยากให้อยู่ไ ป, ไ ป, ไปอันนี้แมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็น สิ่งอันไหนที่เรามองยังไม่เห็นนั่นก็ ร, รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสักนิดหนึง่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นประโยชน์ในเรื่องนั้นแต่อย่าไปคิดรวมสิมใครกตงวัลคนกังวาเป็นท่ากันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี้โอ้ยมันยิ่งมากคุณหม อ, อยาแล้วยาลโลกมันจะบางเลยมันจะหนาแน่นขไปเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้มันยิ่งหนาขึ้นไปเยอะ ที่นี่เมื่อท่านบวชมาแล้วยังก็มาปราบับไอความชัว่วทางไหนให้คนเข้าใจนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกั น, กนเอาคนงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันเดีกันซึ่งบุคคลทํามาอาชีวะรวยกันหากินอยู่แล้วน่ยอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกวงเกณฑ น, นี้ถ้าเราไปคิดว่าโอ้จังหว ด, ว ด, วดกันหมดจังหัดกันหมแย่บวชไม่ได้ดูนี่มอือเลย ย่าไปดึงนี่มือมันไปขนาดเดียวกันเดียวมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ของมันเนี่ยไอตัวที่เรียกตีมันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามาหาว่ามันไม่เท่าเพื่อนเราก็ตัดมันทิ้งกันยางน้อยกว่าแกะที่จะบกไปยังได้ือมันมีประโยชน์ทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราไปคิดเช่นนั้นไม่ได้เรามันรวมกันนี่โรคเป็นไปงั้นได้อย่างงั้นก็ไม่เป็นโรค ยังนั่นัวโรคใหม่มีไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ไอทางไอโค้งนั่นทีมันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นได้ได้ไอพูดแต่มันไม่เห็นไอตรงนั้นมันผิดสอน่ะตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นได้ได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นเนี่ยเดี๋ยวรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดถูกเลยก็ได้อย่าไปกลัวในโรคมันจะ่เบาบางนะอยาอยากเข้าใจว่าไอคนจะหมดคนสร้างโรกต่อไป ผมผมเข้าใจครับผอคือนะคือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผมมีพระเป็นเพื่อนใช่เอผมเป็นพระผมก็เรียหลวงเพื่อนอก็คุยกันตรงเรื่องการทําบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทาบุญแล้วก็อยู่ตายกันนานๆก็มาถาวายทั้งทีพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการก็ถูกต้องคือพูดกันว่าการทําบุญเนี่ยผู้ทําบุญอย่างที่ผมเห็นเมื่อนา น, านมาแล้วเนี่ย บางคนยากจนไม่มียากินใไอลูกเต้าก็ไม่มีจะกินอย า, ากกินเลยเงินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้พระผมก็ถามมาถูกปะระเพื่อนผมบอกผิดการทําบุญนั้นจะต้องทำโดยไม่เป็นภาระไม่ใช่คื อ, อคล้ายกับว่าแหมไอลูกหลานหรือไคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลยให้พระท่านฉานเถิดใช่บุญนะถ้าเพื่อนผมว่าผิดการทําบุญต้องทําในสิ่งซึ่งเราสามารถทําได้ และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะฮคือคล้ายๆกับว่าที่ผมติดใจเรื่องของคนที่ได้ปริญญาแล้วไปบวชเนะผมก็มีถือหรือผมรู้สึกหนึ่งอันว่าการทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเราและผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าแหมผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนนี้จะเอาสตางเนี่ยไปรักษาลูกลูกจะตายที่โรงพยาบาล น, นะ ผมไปเอามานั่นคือเกิดความทุกข์กับผมเองชั้นเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทําไมผมถึงมีปัญหาว่าไอ้ที่ได้ปริญญานี่แล้วไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพ่อสอนผมเมือเ่อกี้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมติดใจหนึ่งอันคือว่าถ้าจะทําบุญแล้วไม่ควรจะอ่าเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดๆคือว่าคนอื่นมีคนทวกหนึ่งต้องมีความทุกข์ถ้าจะทําบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุข ความอิ่มเอิบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่พระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะจริงจะไปเทศนาเผยแผร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆแล้วผมว่าพระองค์เนี่ยยังเด็กเอาอันที่หนึ่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่กับมีก็มีเยอซึ่งทำหน้าที่เผยแพ่ธรรมะอ่แล้วแต่จะมาทำตัวเนี่ยจะมาทาตัวเหมือนพระพุทธเจ้า นะเหมือนกับว่าตัดราหุนตัดไปพระมาเอศีไปออกไปบวชนํามันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นําศาสนาเป็นาศาสดาของเราคนซึ่งทำทีแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคนส่วนใหญ่ก็ได้เหนี่ยวร่างไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบวชแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็มีอาจารย์โน้ตอาจารย์นี่มีเยอะแยะซึ่งเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นคนเนี้ไม่สำคัญขนาดหลวงพ่อหรือขนาดที่จะทำตัวเหมือนเราปิจจารที่ทำไมผมตั้งนี่งผมตําเนี่งว่าการทำบุญโดยไม่คำนึงถึงเวลาถ้าหากเรารออีกสองปีสามปีห้าปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นพอไม่เสื่อมเลไม่เลยนะแล้วก็ยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเมื่อจะไม่เกิดความลาบากใจกับผู้อื่น เมื่อจะเกิดความอิ่มเอิบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะบวชที่ผมตําหนิเลือกเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูกนี่ที่ผมถือว่าเป็นบาเนี่ยเหตุผลที่ผมต้องกราบเท้าเียนหลวงพ่อเนี่ยผมว่าเวลามันผิดทีนี้หาคนยังไงที่จะดูเวลานนเนี่ยคนคนเนี้ครับถ้ายึดมั่นอีกเจ็ดปีเนี่ยก็บวช อย่าง น, นัเป็นคนดีนแต่ถ้าหาว่าเจ็ดปีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้าผมว่ากอะไรไม่ควรจะวัดจะหาที่ไหนเมียนะอยากใจเป็นงั้นทุกคนทุกคนวาถ้าเขาเว้นว่าเจ็ดปีจังบวชไอ้ความตายมันจะรอไหมไม่รอเขาเห็นอย่างนี้เห็นไหมก่อนเขาจะไปนี่ไอ้ความตายเจ็ดปีตายไว้มีสัญญากันไหมมนุษย์เกิดมาจะตายนี่เจ็ดปีจะบวชจะอะไรต่ออะไรกันมีสัญญาไหมเมื่อหากว่คนหนึ่งเขาเห็นอย่างนี้ทําไม เขาไม่ไหวใจในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าทุกๆคนไม่มีสัญญาทุกคนอะเจ็ดปีๆแปดปีต า, ตายไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเขามองไปไม่เห็นแล้วไอ้ตายของเขานี่เขามาไม่ไหวใจในความตายของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็บวชของเขาจะทำยัไงเนี่ยเออเนี่ยถ้าหากว่าคนนั้นก็เห็นอย่างนี้ยไม่เห็นเหมือนเรารเราจะต้องวาโอา้ใช่กปีเจ็ดปีถึงการถึงเวลา อาการดีโกเรื่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นก็เห็นอย่างนั้นจะให้เขาทํำยังไงคือที่ผมนี่ยคือผมวถือว่าเห็นแก่ตัวะคนเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไรไหมเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าอะไรไหมจะเอาความสุขคือความพุทของในพุทธศาสนาับตัวคนเดียวอืนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอเห็นแก่ตัวท่านนั่น ถูกครับถูกนั่นอืมทําไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแต่ตัวมันตัวมีอยู่แต่บางคนทํำชนิดนั่นเห็นแก่ตัวตัมีอย่างพระพุทธเจ้าบางร่างนี่ไม่เห็นแก่ตัวท่านทําลายตัวของท่านคําที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมุติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทํำในขนาดนั่นจนจะไม่มีตัวแน่นอะพวกเรามีตัวอยู่ก็นึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราเราก็คิกว่าเขาเห็นแก่ตัว แต่ตัวของท่านท่านกล่าวว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวเลยไอคนเห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นว่าดินน้ําไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คํำพูดอย่างนี้มันบอกความเห็นมันก็ไม่ถูกกันแหละมันก็ไปกันเรื่อยเรื่ยเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมกันขึ้นเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวสัตว์กับคนไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนนั่นถึงจุดนั้นน่ะจะให้เขาเรงแก่ตัวอะ้รยังไง เพราะมันไม่มีตัวเลยเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างนี้จะพูดถึงเรื่องใน ม, มีตัวก็ไม่รู้จักเรื่องของลิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพูดไปมันต่างกันเช่นอาการที่อาจารมาจะพูดสักคำสองคาให้คุณหมอฟังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคาหนึง่งอาเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ ถามีคำอีกคำหนึ่งพูดขึ้นมาอีกมาเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงพูดคำนี้ว่าคนเราเดินไปฟังเราก็รู้จักถอยกลับเราฟังก็เข้าใจหยุดอยู่เราฟังก็เข้าใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นยังไงอันนี้คนนี้ถึงจุดนี้คนนั้นถึงจุดนู้นนี่มันเป็นเช่นนี้มันถึงว่าเรื่องวิสัยของมรู้กับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงซะแล้วเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้จะยินเฉยๆก็หายไป ตรงนี้แหละตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาสับสนอยู่มากมายกายกองเลยอันเนี้ยแต่คําพูดชนิดนี้นะเ ป, นเป็นคําพูดของโบกุตระเป็นคําพูดของฝรานงีเจ้าถ้ามันโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมแต่ก่อนเราเป็นเด็กใช่ยหมเป็นเด็กเด็ ก, ดกๆทีนี้มาเราโตขึ้นมาขณะ น, นี้เราเราคำ น, นึงซึ่งเราเป็นเด็กไม่ใช่ไดไมัหมที่เราเป็นเด็กถ้าไม่ได้กกลายมาเป็นอย่างนี้ได้ เพราะมันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารก็มาอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโลกที่นี่มันพูดมันไม่เข้าจุดกันนานี่แต่มันมียทุกคนนะที่มันพูดจะหงายที่ทําเนี่ยมีเหตุผลยิ่งแต่เมื่อทําเหตุผลเรื่อยๆไปนะเหตุผลผลมันต่างกันคโง่มันก็มีเหตุเหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุมีผลคนโง่มันก็มีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละได้ความมาเหตุผลนี่จบไม่ได้ เมื่อพระพุทธเจ้าจันทัดขึ้นมาแต่ะ่าภิเษเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมียังไงนะมันอยู่คนละสี้ยดอย่างนี้นะมันอยู่คนละสี้ยอย่างนี้นอะย่างมาคุณหมอนี่แหละแต่ก่อนเป็นเด็กเคยเล่นดุกระงมไหมเินพวงดุกระงมก็สบายล่าเร็วในดุกระงมเนเอยไ อ, อ, อ้ที่นี้เมือ่อโตมาขนาดนี้แล้วนะ ไม่ต่างเด็กแท้นไม่คิดอยากจะเล่นของอย่างนั้นทําไมทำไม่อยากเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แน่มีมันโตมาแล้วรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เมื่อเราอยากเด็กอยู่ในขณะนั้นน่ะสมวุฒิในขณะนั้นเราเห็นดุกระงับเป็นราคาเล่นเกินเล่นสนุกสนานเออาเอ้าเป็นอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาด้วยผมมันแตกกบร้องไห้เลยทําไมเป็นงั้นออไการเล่นในสิ่งทั้งหลายเรานี่แห่ะเรียกว่าจิตเขาประโยชน์จอ นี่ไวขเข้ามามันครอบเป็นมากายกันมาเลยกันมาถึงขนาดนี้นะคุณหมอที่จะเรียนดูจวงอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยจะแก้ปัญหาเป็นยังไงเมื่อเขาเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นอ่ะคุณหมอก็ต้องต่อว่าผมไม่อยากเรียนกับทําไมไม่เกิดประโยชน์เี่ยเด็กทําไมต้องไปขัดเด็กสิหน่ะแล้วว่าเด็เป็นประโยชน์นเด็กต้กดดกองไเถียงคุณหมอดีมันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทำไงล่ะใครจะชนะใครจะถูกใครจะผิดเนี่ย เด็กมันก็ถูกข้องมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกข้องอย่างนี้มันอยู่คนเดีครอบอย่างนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนีดีถามปัญหาวันนี้ดีมากอันนั้นอยากให้ถามได้หลายปัญหามันให้มันกระจายนมันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่องผมผมก็พอพอพอพอจะเห็นเออเออนั่นแหละอันนี้ผมผซื้ออีกหนึ่งรันออันนี้ที่ผมยึดถือเองตอนนี้มันต้องยอนหลังเหรอเนี่ยค เมียผมเนี่ยนะโยมเป้าเนี่ยนะ เ, เมื่อสักสิบกว่า ป, ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิ่งรถน้ำมันจริงนะะผมก็ถามว่าผีเข้าเอรอเฮ้ยว่าไปทําชั่วทําอะไรอ้เรวมาผีสามมังเข้าฉันต้องวิ่งรถน้ำมันจริงๆวิ่งรถจริงแต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยอออื่าผมไม่ได้ทํำบาปในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคนอ ตอนนี้เป็นกุศลอย่างหนึง่งและการทำงานของผมโดยทั่วไปเนี่ยผมทำโดยตั้งใจจะทำดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดจากความพลาดัางซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมว่าผมไม่บาปอะ่ะนะนนผีก็ไม่เข้าบาปก็ไม่ได้ามผมไม่ลดอ น, น, มนุมรนะอันนี้ผมถืออยู่มืออันด้วยศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม สอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะเป็นผู้ประพฤติดอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อรับถือนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากถึงขั้นเนื่เนอเรามนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงออบวชออกบวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนะั้น แต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเอลูกจะต้องเสียข้าวเรียนเนี่ยจะทำยังไงผมก็ต้องหัดเป็นหมอดูหรือว่าลดน้ำมนต์ทำทเสน่ห์ไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะต้องขนวะขมจึงถืออยู่หนึ่งอันวะทำบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำอะไรด้วยไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้าย ทำภาพท้างไปไม่ได้สมนนหน้ามั้งนะแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระทำที่ที่น่าจะบริสุทธิ์พอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไปบวดถึงคราวเนี่ยอายุคบเนี่ปั๊บบวดบวกส่งส่งไปน้าคือบวกตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่า มีกังวลหรือเป็นภาระคือผมถ้าแต่ผมจําไม่ผิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไอ้อนุญาตเนี่ยควรจะได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคับพ่อแม่ในเอาละจะบวชละถ้าถือนอยู่ไปก็จะเป็นยังไงน่าเป็นการบังคับซึ่งผมว่าทําให้เกิดบาปเนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทําจะบวชให้ใดกุศลไรติมหรือว่านอะไรอยู่ที่ใจการทำบุญทั้งหลายเนี่ยอย่างผมให้โอกาสผมขี้เกียจตากบาปจะจาบาปไปสิ นียผมตักบาตรทุกเชา้าผมก็ขี้เกียจคือขี้เกียจถอดรองเท้า แ, แต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอึงควสุขนะไม่ได้คิดบาตรเนี่ยผมถึงถืออยู่หนึ่งอันให้ทําบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนิดหนึ่ยตัดบาตรให้ตายไปแม้ถ้าหัดใจมันยังมีแต่ไอความโลภความหลงความตููจิกจุกจิกหรือทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลิกทําบุญถี่ดีกว่ามาหัดทําให้ใจสบายทําให้คนอื่นเกิดความสุข จะผิดเนาะอันนี้โยมนายนะมีสองกระโดงนะหนึ่งโยมแม่บ้านหาเจ้าพุทธมงคกไม่อยู่นั่นเลือกเลยไม่ไม่รู้ว่าเป็นไรนะมันมีความสุข้นั่นแหละโยมนายจะมาะมาจะมาจะพูดในความจะแก้ในความนะทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างคุณหมอนะอย่างคุณหมอนี่ ไก่ในบ้านน่ะมันนั่มันร้องไล่กันประมาณไล่กเอากางเกงให้มันมันก็ไม่เอาเอาเสื้อให้มันไก่มันไม่ เ, เอาเย้าอะไรใมันดีแล้วก็เปลือกแล้วก็เปลือกให้มันนี่มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหมเท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วนี่เขาต้องการนั้นนั้นเสื้อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์ เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้ก็ต้องการกระเปือกมาหาเราเอาเสื้อไห้ไกไเ่เอากระเปือกะไรกินก็ดีกว่านี่ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เขาเอากระเปื่อให้กินก็จะไปกินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้ยทีนี้ทีคุณหมอว่าอันนี้ตะทงหนึ่งกระชองทีสองมาเ อ, อะไรเออว่าผม ไม่อยากกระทําบุญหรือกระทําบุญเอาจิตของผมเป็นบุญเป็นส่นเลยอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทําการงานได้ไหมจะอดปวดบ้านได้ไหมอดล่างชามได้ไหมอดทาดําอะไรดีๆได้ไหมถ้าเป็นคนขยันนะไม่พูดถึงเงื่อนไขนะเราถามตลอดนั่นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ทีวีสัทธาแล้วนะก็ดีแต่กา ที่คุณหมอเกินประมาณไปก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักพอให้รู้จักประมาณทําจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาที่ต้องตักหมาดหรือใส่หมาดหรืหว้พระอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยคนโง่ทำโดกคนมีปัญญาจยิ่งในเปล่าคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เปรียบกางในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันรก จะอดกวัวใจไหมเห็นชามเสื้อฟตบจะอดล้างหน่อยไหมเห็นสุนัขมันมาขี้ฉันั่นแจกอะไรเ ง, งินดื้อเนี่ยนึกหรือจะทําไงดีคุณหมวยจะ ต, ต้องหยุดไม่ได้ในทนะยจิไม่ใช่เขาทำทำเพี่อเป็นอย่างหนึ่งอันนี้คือวันการแข่งนั่นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทําไมต้งทําอย่างงั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเทียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากาเขาใส่ทิ้งไปเฉยเฉยเนี่ยไม่รู้เรื่องห ก็ยกให้ถ้าเขาทามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอนี่ยทําไม่เช็ดขี้ไก่ทําไมเช็ดขี้หมูทําไมเช็ดขี้มาทําทไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอเนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่ก่ยันมันเพียนอยู่เล้วยเห็นนาฬิกาไมันลยต้องทำให้มันสะอาดถุกต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําส่งไปชเฉยๆเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกให้เขาที่เขาไปามหารถนำมล น, นำมลก็ให้แต่ว่ามันฐาน้ามันเป็นไก่จะทําไงล่ะอืม เออถ้าทายท า, ท า, ทาเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเสื้อให้มันมันก็เป็นไก่มันไม่เอาจําไมเียกกระเพื่กกอกระโพเอมมากินซะจะดีกว่าให้มันกินนั่นก็ไปให้มันสบายก่อนต้องแยกโดยระดับอย่างนี้นะจิงเรียกว่าผู้ดูรอบดูรอบดัง น, นั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปพิจารณาดีวันนี้ดีมากเองมาม า, มามาสองคนยังไม่เคยถามปัญหาเล ย, อ, ย อ, เ อ, อดีใครให้มันออกไฮโดรเทนี้ Ini h ayam mod.